วันนี้เป็นวันที่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยห้าสิบ้าวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสี่เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างทุกวันที่พวกเราเคยปฏิบัติมาคือทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำแต่วันนี้รู้สึกจะแปลก กว่าเพื่อนนิดหน่อยก็คือนักเรียนมาจากอุดรมสาม ม, มส่ที่เป็นผู้กองที่เป็นหัวหน้าที่เป็นผู้พานาเด็กนักเรียนมาจากอุดรลุกลานบอกว่าเพื่อมาฝึกสมาธิ ให้นักเรียนฝึกสมาธิเพื่อจะได้ไปสอบนายร้อยนักเรียนนายร้อยอีกไม่กี่วันข้างหน้านักเรียนทั้งหมดมีอยู่22คนจ า, จากจังหวัดจังหวัดอุดรเห็นลูกหลานแล้วก็ลงตาเห็นแล้วกันนะเป็นทรัพยากรของชาติ ต่อไปภายภาคหน้าควรจะได้หล่อหลอมขึ้นมาแต่เป็นหน่อน้อยให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าพวกเราได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาแต่น้อยให้ได้ศึกษาธรรมะแต่ศึกษาจริงๆน ะ, เ, ะเพราะธรรมะเนี่ยธรรมะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่คุ้มครอง โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นจุกมานมนานถ้าโลกยุกใดสมัยใดขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีคุณธรรมเป็นผู้น้อยก็ไม่มีคุณธรรมมีแต่ชิงไหวชิงพลิบชิงพลิบกันแต่เรื่องกิเลสโลกโกรธหลงเขามาได้อยู่ในวงการ อย่าวางเลยความสงบพรมเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มของพวกเรามีแต่ความเดือดร้อนพ่นวายผู้ใหญ่ก็ต่องอย่างหนึ่งผู้น้อยก็อย่างหนึ่งเพต่างคนก็ต่างมีจิตมีใจต่างคนก็ต่างมีหัวใจแต่แต่หัวใจนั้นไม่สัมพยุตหรือไม่ประกอบด้วยศีลและธรรมทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนในยุคสมัยนั้น แต่ให้พวกเราเได้ศึกษารู้คุณค่าว่าการขาดคุณธรรมศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานที่เป็นเด็กนักเรียนก็คงจะยังไม่รู้เพราะไม่ได้รับศึกษาไม่ได้รับการศึกษาแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่จะรับพวกเราเข้ามา เ, เป็นทายาทของแต่และหน่วยงานเขาก็จะต้องวาดเอ๊อ พวกเราควรจะเอาลูกหลานเข้าของเราที่จะมาเป็นทายาทควรจะมาให้อบรมทางคุณธรรมศรรีลจินธรรมจริยธรรมเสียก่อนเพื่อให้ลูกหลานของเรา เ, าเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีจริยธรรมที่ดีไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดอยู่กับพี่น้องประชาชนเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงตำรวจเออ นี้จากพี่น้องประชาชนไม่ได้ผู้ พ, พิทักษ์ผู้พิทักษ์สันติราชแต่ถ้าว่าผู้พิทักษ์สันติราชไม่มีคุณธรรมศรรรมีลธรรมจริยธรรมก็ทำให้เดือดร้อนไปหมดเหมือนกับนิทานอิศบกบเลือกนายถ้าจะอยู่ตามลำพังเทวดาโยนขอนไม้ลงมาให้ กบตัวนั้นก็ขึ้นไปเกาะ อ, อยู่ที่ขอดไม้เอ้ถ้าหากว่าได้เจ้านายที่ดีมาบอกกล่าวแนะนําก็จะดีอผลที่สุดก็เนะ่ยอยากจะได้เจ้านายที่มาแนะนําสั่งสอนที่ดีแต่ท่นี้พอได้มาเขาเน่นได้นกกระสามาไหนทีท่านี้เอ้มากระจับกบกินทีติละตัวสองตัวนะสรุปแล้วก็คือที่ทานแล้วว่าเรื่องราว ที่คนโบราณเขาสาธกขึ้นมาก็คือว่ากบเลือกนายคือเราถ้าว่าอยู่ตามลำพังก็ ค, คิดว่าถ้าว่ามีผู้ปกครองที่ดีมันก็จะดีแต่นี่ได้ผู้ปกครองเลวถ้อทำให้พวกเราเนี่ยตายจบหายไปทีละตัวสองตัวนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละถ้าว่าพวกเราได้นายดี ผู้ดูแลพิทักษ์สันติราชที่ดีพวกเราก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ตาว่าได้นายที่ไปดีก็อย่างที่ว่ า, าไม่โลดหลากไม่โลดไถอไถหน้าไถหลังทำให้พวกเราเดือดร้อนไปหมดไม่มีเรื่องหาเรื่องใส่เข้าไปอย่างนี้แหละอันนี้แหะคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราผู้พิทักษ์สันติราชจะต้องเป็นคน มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในเมื่อมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพวกเราก็อยู่ใต้ร่มหรือว่าใต้ผู้บังคับบัญชาหรือว่าท่านพิทักษ์เราพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นผู้ใหญ่ตำรวจผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมท่านจะให้ลูกหลาน เหล่านี้แหละมาหล่อหลอมตั้งแต่เป็นเบบี้ตั้งแต่เป็นเด็กอตั้งแต่เริ่มก่อใหม่ให้ลูกหลานเป็นคนดีเพราะฉะนั้นให้ลวกเราลูกหลานทุกคนนะให้รู้เจตนาอผู้บังคับบัญชาแล้วเจตนาของหลวงตาเนี่ยนนําสั่งสอนจะกจะให้ลูกหลานเป็นคนดีเรื่องการพนงการพนันก็ดีเรื่องยาเสพติดก็ดีอ ยาบ่งยาบ้าคันชายาฝิ่นเฮโลอินยาไปแตะเด็ดขาดทะลุหลานนะทานลูกหลานถ้าหวังอนาคตให้ดียาไปทดลองยาไปเสพให้ถือว่าเป็นอริศัตรูเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงถ้าเป็น ก, กระสุนกเน็เป็นกระสุนที่วัดสังขารตัวเองได้ง่ายๆเพราะนั้นอย่าไปแตะเพราะอะไรเพราะยาบ้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่า เสพแล้วดื่มเข้าไปเนะี่ยวันนี้กินตอนเที่ยงวันลุงขึ้นไปกินอีกตอนเที่ยงสองวันเท่านั้นหละถอนตัวไม่ขึ้นติดจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะร่างกายเนะี่ยติดหมดเลยเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินหลวงตาเนี่ยไม่เคยละ่ะในเกิดมาชาตินี้หลวงตาเนี่ยสุราเนี่ยไม่เคยมีไม่รู้รถเลยละ่ะ ไม่ต้องพูดถึงยาเสพติดอย่างอื่นเพราะว่าดูแล้วมันเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงพรา ะ, ะนั่นจึงบอกกล่าวให้ลูกหลานทุกคนนะออย่าไปเข้าใกล้อย่าไปเข้าใกล้อย่าไปไกลอย่าไปเสียดในสิ่งที่มันไม่ดีเรื่องการพนงการพนันก็เหมือนกันเป็นนักลงนักแรงก็เหมือนกันขี่รถมอเตอร์ซองตัวไซ สิ่งก็เหมือนกันที่โลกสมมุติคนในประเทศชาติของเราไม่ต้องการเราอย่าไปทำพอทำไปแล้วมันเดือดร้อนเดือดร้อนคนอื่นถ้าเราเป็นคนอื่นเขาละ่ะ<ม>ถ้าเขาขี่รถมาชนเราละ่ะพี่น้องของเราละ่ะเราจะเป็นยังไงมีความรู้สึกอย่างไร เพราะนั้นสิ่งเแ่านี้เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเมื่อเราไม่ชอบอย่างนั้นเราเราอย่าไปทําำต้องดูถ้าเราเอ า, เอ า, เอามาทําให้กับพี่กับน้องของเราเออเมาคดมากงมาโป้นมาจีาา้มาเอารถมาเฉียวมาชนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราอย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเราไปทำให้กับเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรสิ่งและธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลนะลูกหลานนะเขาเราถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาเดือดร้อนถ้าเขามาทำให้กับเราเราเดือดร้อนเพราะนั้นอย่าไปทำให้กับเขาให้สำรวมระวังในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องโอเคล ะ, ะ, ะอันนี้แหละคือการเป็นอยู่ของลูกของหลานต่อไปภายภาคหน้านะ สรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีและก็พร้อมกันวันนี้ทางผู้กองก็อยากผู้กองหนุ่มก็อยากจะให้พวกลูกมหลานทั้งหลายมาฝึกสมาธิคําว่าสมาธิคํานี้คนไปอยู่นสถานที่ใดถ้าคนมีสมาธิ ด, ดีจิตใจแน่วแน่จิตใจเป็นหนึ่งการคิดการอ่านจิตใจไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่สาน อถาว่าคนจิตใจฟุ้งซ่านหรือเมื่อคนเป็นบ้านอะคนเป็นบ้าหรือจิตใจฟุ้งซ่านเละให้เขาคิดในเรื่องราวต่างๆเขาคิดได้มาคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาขาดสติเพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะคนมีสติอยู่กับตัวเองเออแล้วก็คิดอะไรมองออกอใช้ปัญญาเมื่อสติอยู่กับตัวเอง นั่นแหละถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองจะคิดเรื่องราวอะไรก็มีเหตุมีผลในเรื่องนั้นๆเพราะนั้นเวลาเราจะไปสอบข้อเขียนและไปสอบสัมภาษณ์และไปสอบอะไรก็ตามต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้มีสมาธิเห็นเน่งมองตัวเองอยู่ตลอดมีสติอยู่กับตัวเองนี่นแหละก่อนที่จะมีสติอยู่กับตัวเองนี่จะทำยังไงตามการฝึกสติ ในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปฝึกสตออิอยู่ที่โครนต้นโพที่ท่านได้คืนที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณท่านนั่งขัดสมาธินะลูกหลานนะขาขวาทับขาซ้ายอย่างพวกลูกหลานนั่งขณะนี้แหละพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วก็เอามื อ, อ, อแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนพวกเรานะ เวลาเอาขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปนมือซะก่อนปนมมือคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆธรมโมพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบเอามือจกมือไหว้ระหว่างอกซะก่อนนึกพุทโธธรมโมสังโฆจากนั้นเอามือลงเออคือเราไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อเป็นคนสอน ไม่ใช่คูบาจารย์เป็นคนเป็นต้นคิดตนไอเดียที่จะมาสอนเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะนั่งสมาธิเราจึงำรำลึกถึงพระพุทธเจ้าสะกอ่อนว่าอันนี้คือแนวความคิดของพุทธะที่ท่านสอนแล้วก็เราก็นําครูบาจารย์พระสงฆ์ก็นำทำคําสอนของพุทธะมาบอกกล่าวให้กับพวกลูกหลาน ได้ศึกษาและให้ปฏิบัติลูกหลานทุกคน เ, เวลาจะนั่งขัดสมาธิจะนั่งภาวนาเดินจึงให้ล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าสกอร์พุโทโธธรมโมสังโฆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจากนั้นเอามือลงพอมือลงเสร็จแล้วกว็ให้กําหนดลมหายใจเข้าเดีฝึกสมาธิแลแ้วจนี้นะแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธัตถะท่านฝึกฝึกอยู่ที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพ็นนั่น ท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้านะมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายจบไม่ให้จิตเผลอไผลส่งไปที่เอ่นให้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าจันตรัสอย่างนั้นแต่พอมาถึงหลวงปู่มั่นของเราเนะี่ยลุกสิทธ หลวงปู่มั่นท่านสอนนจะนีน้นะโรคหลานนะเวลาหายใจเข้าท่านให้บริกรรมพดเอาหลวงปู่มั่นนะเออเพราะท่านบอกว่าถ้ากําหนดลมหายใจใเข้าออกเฉยๆมันเผลอได้ง่ายหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโ ท, ดโทเอออย่าไปแต่งลมนะเพียงแต่ให้มีสติลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทให้เหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูลักษณะอย่างนั้นแหะ เวลาคนเข้ามาในศ า, าลาเราก็รู้ว่าคนเข้ามาเราก็ไม่ต้องตามเข้ามาเข้ามาทำอะไรบ้างเนี่ยเราไม่ต้องตามแต่เวลาคนเดินออกไปเราก็รู้รู้ว่าคนเดินออกไปเพราะเราอยู่ยืนอยู่ข้างประตูไม่ต้องเดินตามออกไปรู้ว่าคนออกจากศาลานี่นีแหละให้เวลาลมหายใจเข้าเนี่ยไม่ต้องตามลง ไม่ต้องตามลงถึงปอดถึงท้องนะสรุปแล้วนั่น เ, เพียงแต่ว่าลมผ่านเข้ามาในปอดในท้องท่านั้นก็รู้ว่ามันลมลมเข้ามากับบริกรรมพดเวลาลมผ่านออกไปข้างนอกมันลมมันไปที่ไหนมันปผสมประสานกับลมข้างนอกยังไงเราไม่ต้องตามดูเพราะมันออกจากปลายจ ม, มูกของเรากอง บ, บริกรรมว่าโทพดโทพดโธนะ น, นั่นคือการฝึกสติเบื้องต้นนะ แต่เนี่ยเราฝึกมากๆากมันก็เผอนะรู้เลยเธนี้ยรู้ว่ามันมันมันมันออกไปนะถ้ามันออกไปมันเอาไม่อยู่นะออกไปบ่อยเล่าลัวเลยเธอเนะี่บริกรรมเมือนก็ยิงปืนกลลักษณะอย่างนั้นแนหะละรัวเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในในความรู้สึกของเราเนะนี่แหละบริกรรมภาวนาพุทโธให้ถี่เย็บเลยเธอนี้ยเอาให้อยู่เ <Leaf s. S 1> นี่นี่แหละวิธีการฝึกเบื้องต้นนะลูกหลานนะ ด้านให้พวกเรามาฝึกสมาธิในวันนี้นะพยายามฝึกเวลาขาเวลาออกจากสมาธิเวลาเดินขาขวาแล้วก็เข้าพดขาซ้ายแล้วก็โธเออพดโทผู้กองน่าจะพิธีการฝึกเดินตามหลังกันก็ได้เออแต่เดินตามหลังกันนะเวลากลับโค้งไปแล้วก็ให้ขาขวาพดขาซ้ายโธเนี่แหละเป็นฝึกในการเดินแล้วก็คือฝึกในการนั่งกําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธ ถ้าว่าเราออกกลาลังหลังกายเราจ๊อกจ๊กิ้งไงวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเร็วนะเราก็พุทธโทรพุทโทพุทโทพุทธโทรให้มีสติในการก้าวเดินของเราฮะนี่แหละวิธีการฝึกสติถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองเหมือนกับคนอยู่ในบ้านเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาใครมาก็รู้เรื่องเราเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทั้งหมดนเลยมีอะไรเกิดขึ้นสติของเราทันเลย ลูกมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นวิ่งจิตวิ่งเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนี่แหละคนที่มีสติคนที่มีสติจากนั้นก็ใช้ปัญญาเมื่อมีสติแล้วก็คิดคิดใช้ปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วเ อ, อเร็วพรานเพราะแหละเพราะสติของเราดีะแต่ถ้าว่าสติของเรา เออเลื่อนลอยเลื่อนล่างมีปัญหาเกิดขึ้นนะเนเออไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้นะจะติตมันหายจากตัวเองเออจนเมื่ลอยไปตาลอยเมอนะเอ่อเออกระทั่งเขาไปตบหลังอุบยังอกยังค่อยมีจิตกลับขึ้นมาเออพอตบจะได้กับเมื่ลอยไปแล้วคนอย่างนั้น จะดูแลประเทศชาติจะดูแลพี่น้องประชาชนจะดูแลครอบครัวจะเป็นที่ยอมรับของคู่ขนได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นลูกหลานเข้ามาขาวเนี่ข้ามาฝึกสมาธิให้อยู่กับตนเองเพราะนั้นวันนี้หลวงพอ่อจึงให้พวกเรานั่งสมาธินะ่นั่งกัดสมาธาิต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีธรรมเทศนากันหนึ่งองีก ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง เ, เริ่มเริ่มเปิดฟังแล้วนะอันนี้หลวงพ่อสอนวิธีสมาธิให้ลูกหลานได้ฟังเป็นเบื้องตน้นแล้วก็คณะสัตยาธิโยงพระเน่นลูกหลานก็จะได้ฟังอีกวิธีการแนวภาคปฏิบัติหรือว่าแนวทางที่ควรพวกเราควรจะรับรู้รับทราบผู้ฟังจ่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว วันนั้นเปิดได้แล้วนะท่นนี้นะเอานั่งสมาธิต่อนะถ้าได้เวลาแล้วเดี๋ยวท่านจะบอกอ้าวพอนะยังค่อยออกจากสมาธินะลูกหลานนะองอดทนนะอนั่งสมาธิเราอดมาทําอย่างอื่นเราอดทนมาพอแรงแล้วอแต่เขานี่นั่งสมาธิอดทนดูสิเป็นยังไงนะเอาเริ่มเปิดได้นะ